พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หเมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าคนจนไม่มีเงินซื้อรถวันนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าจะลง กรุงเทพเหมือนกันนะแต่ว่าทางกรุงเทพเขาก็บอกว่าแถวพุทธมนตรจะมีการเดินขบวนจะมีม็อบว่า ง, งั้นแถวพุทธมนทนหลวงพ่อลงไปคงจะติดม็อบกมงงออออ็มั่งหลวงพ่อว่างั้นหลวงพ่อเอา้าสุดแท้แต่นะสุดแท้แต่สู้เจ้าจะพิจารณาถ้าหากว่าความปลอดภัย มียังค่อยบอกหลวงพ่อถ้ามันความปลอดภัยไม่มีอย่าบอกอย่าหลวงพ่อจะไม่ลงหลวงพ่อจะยังไม่ลงถ้าว่ามันยังไม่ปลอดภยัยก็คงจะเป็นวันที่ทให้ลงวันนี้กับวันที่หกนะั้นลงไม่กี่วันหรอกลงแปบเดียวแล้วกับวันที่สนะิบหน้าวันที่สิบสิบทางอำเภอนายุงทา น, นายอำเภอกับพี่น้องประชาชน จะมามุดน้ำรำหัวตามประเพณีพอวันที่ส0บผ่านไปแล้วก็วันที่11เอ้ขาคงจะหยุดงานแตไหนะหยุดงานกันจนวันที่สนะิบสบหน่จึงจะกลับมาทำงานเพราะนั้นทางวัดของเราให้ช่วยๆกันดูทางศาลาใหญ่นะศาลาใหญ่ข้างนอกหลวงพ่อคงจะรับแขก สาลานข้างนอกนิ่นมลพระไปสักสามสี่องค์นสะี่ห้าองค์ไปให้ศีลให้พรพวกคณะพี่น้องชาวบ้านคงจะมาประมาณฉันจะหันเสร็จล้วจะเข้ามาสันจะขันเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกล้วก็คงจะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่ให้ลดกันทุกคนหอก อย่างที่ปีที่แล้วนะ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวปีก่อนนะก่อนจะมาลดมือหลวงพ่อเนะ่ยแต่หลวงพ่อจะเป็นลมเอาคนทั้งหลายร้อยคงจะเอาน้ำรวมรวมรวมรวมกันพอน้ํารวมกันเป็นกระมังใหญ่แล้วก็หลวงพ่อคิดว่าจะส่งน้ําพระพุทธรูปก่อนเราเอาโอพระพุทธรูปองค์หินนะองค์ที่เราเอาสงทุกปีนะ่ะเอาไปไว้ตรงกลาง ระหว่างภาษาวกเอาไปตั้งไว้ที่ตรงกลางภาษาวกจากนั้นก็เอาน้ําพี่น้องประชาชนที่มารวมกั น, นเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็นผู้สง่งสงน้ําพระพุทธปฏิมาจากนั้นก็ส่งภาษา voke พระโมกขลาสาริบุตรที่เป็นอั克拉ภาษา voke พวกเราพี่น้องประชาชนทุกหมู่เรากด ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยก็สวดอิติปิโสนะขณะที่สงน้ำก็สวดอิติปิโสอ่าหนึ่งจบอพอเสร็จแล้วก็ต้องคอยมาทำพิธีสงน้ําหลวงพ่อสงน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ให้สงทุกคนจะให้ตัวแทนสงเหมือนกับหลวงพ่อสงพระพุทธปฏิมายอย่างนั้น่ะ ให้หมอบไปท่านในอำเภอเป็นผู้ตักน้ำสงมือหลวงพอ่อตักให้มากๆเลยแต่พี่น้องประชาชนเอาน้ำมารวมกันไว้ในกระมังจากนั้นก็ตักสงเสร็จแล้วก็ให้สินให้พรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละวันที่สิบนะถ้าจะให้สงทุกคู่ทุกคนว่าไม่ไายปีก่อนปีที่แล้วเนีย่ยทำอย่างนี้ ต่ปีก่อนนะหลวงพ่อเออสงก็สงพระสงฆ์ที่ไหนได้โอ้หลวงพ่อนั่งพิกไปพิกมาพิกมาพิกไปกว่าจะจบได้ใช้เวลานานแล้วก็เหนื่อยเสียเวลาเอาน้ามารวมกันอย่ากนั้นจะรวบรัดกว่าแต่เราจะสงพระพุทธปฏิมาก่อนแล้วกับพระสาวกพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก่อนยังคอยมาสง หลวงพ่อจากนั้นก็ให้ศีลให้พรแล้วก็แยกย้ายกันกลับเขาก็คงจะไปทำพิธีมุดน้ำราหัวผู้สูงอายุในทิวการอำเภอจากนั้นก็พี่น้องประชาชนก็คงจะทำพิธีลดน้ำราหัวในอำเภอที่เป็นผู้ปกครองอำเภอคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละใน ในพิธีกรรมพิธีการของเขาในมนฑลหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อเขาคงจะไปกรุงเทพคราวนี้นคงไปไม่นานเขคงจะไปแพพเรียงคงจะกลับมานะแล้ ว, วันนี้เห็นพี่น้องญาติเตโกโหติกาเก่าแกนะ่ที่นั่งอยู่ทางขวามือหลวงพ่อนะ่ยเป็นพี่น้องจากสระบุรี อะไรวัดอะไรเหวัดปาสี <little ias. S 1> อุทุมพรอ๋อวัดปลาสีอุทุมพรดอนอะไรเกาะวัดปาสีอุทุมพรดอนดอนดอนเครือต้นหมาอะ วัสิวุฒิพ่อหอนเคื่อตดนมาเลยเออพี่บ้าหลายไปโอ้พ่อใหญ่เนี่ยี่กน้อพ่อใหญ่เป็นพ่อของพวกหัวขาวๆนั่นนะเอ้พวกหัวขาวเป็นลูกสาวด้วยน่ะนะพ่อใดีะฮะพ่อใหญเออพ่อใหญ่ดีเนี่ยสมัยก่อนต้งพ่อมาสร้างวัดเนี่ยพุทธเจ่ามาเสียญ้ามาดายย่าให้โอ้เป็นคนศิลป์คนทำจริงๆนะ เป็นคนหนักแน่นจริงๆเป็นคนศีลคนธรรมจริงๆเห็นแล้วเป็นคนภาวนาจากนั้นก็มาอยู่วัดพออายุบรนปลายชีวิตย์ก็เข้ามาอยู่วัดมาอยู่ที่วัดนั่นกุฏิพวกลูกพวกหลานเขาเนีน่ยนะเข้ามาปฎิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานจริงๆเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มั่นคงทางศีลทางธรรมจริงๆหลวงพ่อเห็นและเห็นแล้วโอ้ประตู เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนี่แหละดูจังหวัดสระบุรีอำเภอเลยอ๊เอเวอรหมอกเล็กอ๊เภอร์หมอกเล็กจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวนี้กมีพระผู้เฒ่าไปสางวัดกันกบมีเดี๋ยวนี้มีพระจําอยู่อนอาจารย์นาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญมี อาจารย์บุญมีอาจารย์ซีลาเป็นลูกพีของหลวงพอน่ะอาจารย์ศีลาอาจารย์บุญมี่อำเภ อ, อ, นะ อ, อ, อ, อหน้าแก่แล้วก็ลูกซิดของเพิอนอาจารย์นาสะก้อนก็เป็นเน้นต่อมาก็เป็นม่อบวชเป็นพระหลวงพ่อบุญมีบ้านแก่งมัครับอำเภอหน้าแกหลวงพ่อหัวจักมันตนตระกูลเป็นที่หูวจักหลวงพ่อ เป็นคู่บาแล้วอันนี้ยังเป็นเน้นอยู่จำไมก้อ น, น่ะดุล น, น่องของหลวงพ่อคูบานะเนี่ยคูบานะคูบ า, าคบากรรมฮะแล้วก็คู่บาอย่างอีกองคหนึ่งนาะสามองค์ติดตัวจากมักคุณพนเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อขุนมีแต่ว่าหลวงพ่อน่ะลูกหลานเนี่ยแกมันหยุ่งยากครับสีไปสีไปใสเนี่ยสีไปสีโยกใหญ่ไปใส่ใสีไปใส่แล้วโอ้ จักแม่นยั้งต่อไม่ยัางอรรถตัน้นไปและอีกอย่างหนึง่งหลวงพ่อกับบุคคอเก่ามันเฒ่าไปหนาเดียวเหนียมจะเขาเจ็ดสิบเลยอได้ลูกหลานเะน่เดือนเมษานะี่ไปหกสิบเก้าเต็มละ ว, วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนะี่ยหกสิบเก้าปีเต็มเลยต่อไปก็จะย่างเขาปีเจ็ดสิบแล้วตนะเนี่ยโคนอายุเจ็ดสิบเนะี่เบิงบ่งๆแิ่กันหอดแปดสิบน่ะพอเข้าเบิงเนะ่งอรรถปานน่ะ อดเกาซีบแต่ยุงหนาพยุงหลังแปดซบก็บเถอ ะ, อะขนาดเจ็ดซีบว่านี่ก็ยางบ่ค่อยตรงหรอกเพนั้นลุงพ่อเองเนี่ ย, ย่อมแพ้เตืองสุขภาพไปได้พราะไปได้ทนเองเแต่เดี๋ยวนี้ยังพ่อพูดได้ พ, พ่อผู้ได้กับบ่ไม่ยังกับมีความคิดเห็นอย่างไงกับบ่ให้ลูกให้หลานได้ฟังเป็นอย่างไงมาจังไงเฮ็ดจังไงอง ยู่ไซอันนี้อีกสักน้อยนี่ก็มดดละเข้าเวาและแต่หลวงตามหาบัวนเนี่พันยังเก่งเลปดสิบปีพันยังตะเวนทั่วประเทศหาทองข้าเข่าข้างหลวงหลงพันเนี่ยซีว่าแข็งแรงมากๆเลยหลวงปูของเฮ้าหลวงตามหาบัวเฮ้าจนอายุเก้าสิบกว่านึงยังคอยแต่ขนาดกานก็ยักเววาอยู่ยังเทศนะวาการอยู่ จยุดปกีเดือนนะเปน็นจุดติอิรพ่านไปเลยหลวงตาแต่ของเฮ้ามันบกขนาดนั่นแหละเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ก็มดสภาพแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามเฮ้าก็ต้องคิดลวงหนาไว้คือกันนั่นะให้คิดไวชีวิตของเฮ้าเนี่ยจุดจบของชีวิตคือหยังพวกเฮ้ามาต้องเบากันน่ะ พอหนันก่อนที่จะถึงจุดนั่นพวกเฮาทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเก็บสั่งสมบูรณ์กุศลไปเรื่อยๆเก็บกะแน่นไปเรื่อยๆคือกันกับเก็บกะแน่นคือจะเลื่อนสั้นนะเพราะจะเลื่อนสั้นอิริได้เพราะถึงจังหวะนั่นแหะพ่อตายไปบานี้เลื่อนสั้นแรือเล่าเนี่ ตีตก๊กัสิขึ้นสั่นมือนั่นล่ะมือชุดไทยขวแน่นดีบอหรือีก ว, ว่าต๊กสั่นถ้าต๊กสั่นกับไปพูดละต๊กนรกบ๋ไปเป็นเปรเตเป็นสัดที่ระชานาที่ต๊กขนาดไหนตดตกสองไดบอนึกโต๊กอีหลีแขวนาัวไตรไดแขวนแน่นเกดตรแขนลงเกดเอ เกดบีเกดซี่เกดใดนพ่อพ่อขึ้นได้พ่อบบไปตกนรกเกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์เกิดชาตินากันได้เป็นมนุษย์อีกอันนั้นแปลว่าส่งตัวขณว่าเาเทคขแน่นบดีตกตำแหละเพราะนั้นพวกเข้าเบิงเจ้าของนะ่ะยาตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมขามสอนของพระพุทธเจนะ้าน่ เพิ่นพิสูจน์เพิ่นวิเคราะห์เพิ่นตรวจเบังแล้ว ต, ต, ต, ต, ตายแล้วบ่สูลนะตายแล้วเกิดอีกนะพอแม่ครูบาอาจารย์เฮาขึ้นกันตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มันหลวงตาของเฮาครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันจนมาถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่รุ่นเพิ่นภาวนานี่ยเป็นเสียต่องค์ที่บ่ภ่อวนา ขันโองที่พวน้าเนี่ยเพื่นจะยืนยันเป็นค่ําเดียวกันเลยว่าตายเราเกิดเพเหตุใดมันหูในเจ้าของมันหูในตัวของเพื่นเองพอเพราะธรรมะในเป็นปัจจิตตังเลยธรรมะปัจจตตังรู้เฉพาะตนเฮาจะไปบอกให้คนอื่นเป็นจังสีจังสันได้อนะคือขันกระเพ้าให้โอ้กินเข่าเนี่ยอร่อยน ะ, เ, ะเพชรเข้ม การอบายคนอื่นฟังได้อยู่มันเผ็ดมันเข้มแต่เขาบริกอรสเป็นยังไงเผ็ดเข้มไปอย่างไเเเางไเขาบป่งหูจักเขาก็โป่งหูจักแต่ว่าผู้กินนหูจักเผ็ด เ, เป็นยังไงเข้มไปเลอรสอร่อยมันเป็นยังไงมันหูจักน่าเจ้าของอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ากับลักษณะจังสันนะ่ะกันผู้ไหนริมรสผู้นั้นจะรู้รส รูเองถ้าผูป้ปฏิบัติจะไปขาดคะเน่ไปเดาเอาไปขาดการเอาไปประมาณการเอาบอ่อใดทั้งนั้นจะให้ผู้อื่นเหตแทนกับบอ่อใดอีกคือคือกันพูดให้ผู้อื่นกินเข่าแทนเท่ากนะันออกกําลังกายแทนเท่ากนะันเห็นหนังสือแทนเท่ากนะังนบางเสียงบางอย่างแทนได้อยู่เหตงานแทนเท่าะนะแบบของแทนเท่า ปัดกวาดแทนเท้าบ่เออจังสีได้อยู่แต่บางซีบางอย่างแทนบมได้เดี่ยใครเคยกินเขาแท่นเท้ากินเขาแทนข่อยได้เด้วอมันโมได้เนี่ยภดกิดกับผู้นันอิมนี่หนังสือแทนข่อยได้เด้อยมันโมไดเนี่ยนกับผููนันได้ความลูกตัวเองบมได้ความลูกมีแต่เขามาบอกให้อีกตอนเรื่องเท่านั้นนะบางพี่บางทงบางอย่างอาจจะบทเสือเขาอีต่างหาก ออกกำลังกายขึ้นกันออกกำลังกายแทนขอน่อยเด้อเขาออกกำลังกายเขากว่าไหนกำลังเห่ามาได้ออกกันเป็นอมภพอมภาตคือาาขเขานี่ยนะบางสิ่งบางอย่างมันแท่นกันบ่ไรการปฏิบัตรริท่ามคือกันการสร้างบุญสางกุศลคือกันให้ผู้อื่นเหตแทนให้ผู้อื่นเ็ดแทนเห่าก็เฮ็ดได้อยู่แต่เข้ากับเพียงแต่อนุโมทนาอ่านะ อนุโมทนาสาธุกับผู้เขาเฮ็ดก็ได้อยู่ได้บุตรอูก็คือกันกับเขาไปทํา ม, มาค้าขายพอเขาทํา ม, มาค้าขายได้เงินมาแล้วกันขออนุโมทนาขอมีส่วนเขาหุ้นนํามเขาก็ให้ให้หน้อยนึงพันออกไปชุดแทนแต่เขาจิใจดีกันเขาใจดีเขาก็หายหลายเข้าจใจบุดีเขาก็หายหน่อยอันนี้ก็คือการอนุโมทนาบุญกุศลจากผู้ที่เขาทําแล้วะ นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยเป็นหัวกว่าธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองได้ริมรถเองเพราะฉะนั้นคู่บาอาจารย์หลวงปูหลวงตาของเฮ้าเนี่ยที่เป็นว่าลุกฤชิตหลวงปูเรีวหลวงปูเสาหลวงปูหมันคู่บาอาจารย์หลวงปูเทศหลวงปูสิงห์หลวงปูฝันหลวงปูขาวหลวงตามหาบัวหลวงปูหลาเนี่ยคูบาอาจารย์ที่เป็นลูกชิตหลวงปูหมัน เพิ่นพ่อในศึกษาธรรมะจากคู่บาอาจารย์แล้วครับแบกกฎตะพ่ายบาทเข้าไปภาวนาอยู่ที่ป่าหลวงพงไพ่อยู่ในธรรมอยู่ในที่กลัวป่าชาไปภาวนาเพื่อจะทําให้จิตใจนยสงบจิตใจคนเท่าเลยคันธวบประโยชน์บองที่มันบอยาดนะมันบอยาณนะมันจิตใจมันขนองเลยมันขึ้ เรื่องนั้นเรื่องนี้พ่อไปอย่หม่งผีห้ยหม่งผีรุหม่งเสือรุหม่งสร้างรุนะ่ไปกไปนางพาวนาะพอไปนางภาวนามันญาณได้บัดนะพ่อมันญาณจิตใจมันบกคิดออกทางนอกมันบกคิดบกปุ๋งบกฝุ่งออกไปข้างนอกจิตใ จ, จอยู่กับเจ้าของนะอายุกับพุทธโทษกับพุทโทพุทโทพุทโทพุโทโพุโทโ พ, พอมันญาณได้จิตนะใ จ, จกันร่วมสงบเพราะนั้นเพนยัง กูบาดจา์จึงไปสแสวงหาในที่กลัวๆที่จะงบสงัดรที่กลัวๆอีกต่างหากมาันอันพิ่งกับภาวนาของเพิ่นพอภาวนาจิตใจจะงบพอสงบลงไปหูเลยบาดนีร่างกายกับใจนี่ใจกับร่างกายเนยเนีนามธร้ำกัะลูก ป, ประธรำเนี่ ป, ประลธรรมคือร่างกายหน้ามารรมคือจิตใจเนี่เป็นคนละอันกันชัดเจนเลยบาดนีเห็นได้ชัด ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกว่าบอกว่าร่างกายคือกันกำลังรถจิตใจของคนนาำมาร้ำคือกันกับคนขับรถคนขับรถไม่อยู่ในร่างกายของเหง้านะคือนาำมาร้ำแต่ร่างกายของเห้าเนะ่ยคือรูปประถมคือรถน้ำมาถรมคือคนขับรถคือใจอาศัยกันอยู่มีสองอย่างพระพุทธเจ้าประหารความสําคัญให้ความสํคาสคัญเรื่องนาำมาร้ำมากกว่ารูปประถมได้บ้างไหม ให้ความสําคัญนามธรรมกว่ารูปธรรมเพิ่นยกเป็นพัมบาลีว่ามโนปุพังมโนปุพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือว่าลถคันนี้จิตแพ้งแพ้งไปได้กรตามราคขาแพ้งไปได้กรตาม มีโซเฟอร์เป็นใหญ่มีโซเฟอร์เป็นหัวหนาเอ้ยชดแทนแต่โซเฟอร์สิผ้าไปใส่เอ้โซเฟอร์สิผ้าลงุงครับลุ่งหักพวกมาแล่ลุ่งขางตรงนั้นก็ได้ซ้นต้นใหม่ก็ได้กระโดดนาผ้าก็ได้หัวลงไปกระโดดเหวก็ไดุ้ดแต่โซเฟอร์สิผ้าไปรถขั้น ใ, ในเมือกโซเฟอร์ขึ้นไปครับแล้วนี่แหละอันนี้ขึ้นกันในร่างในตัวของเฮาขึ้นกัน ใจแคานีมัอยู่ในร่างกายคำว่าใจ น, นี่ใจดวงนี้ไเป็นอันตรพันเป็นคนซัวใจซัวเคิอย่างมีแต่เรื่องซัวไม่แต่เรื่องขาเรื่องผลเรื่องขโมยเรื่องกินเหล่าเม้ายาความซัวเสียหายทั้งหลายโซโฟเฟอเนี่เอาหมดเออว่าใจเนี่เอาหมดมาในร่างกายเนี่พราะใจมันอยากกินเหล่าเอาให ให้รถกินเหล่ามันหมดละอรถขั้นนี้ยกัเปสายเปขวาขื้นกันแล้วนั่นแหละอันนี้แหละปัญหาใจใจเป็นไงใจเป็นหัวหน้าบ้าตายบัตรรถขั้นเนี้ตายผันมดสภาพของมันอพอใส่งานไปหลายมันก็ตายแล้วบาัตรรถขั้นเนีอยพ่อมันเถามันแก่เนี่ยมันหลวมมัดล่ะอลูกปืนมันก็หลวมล่อมันก็หลวมไอ้ยังมันหลวมมันสายพานมันก็ย่าน เครื่องมันก็เสือมสุกมันก็หลวมมัดละเพราะมันตายแล้วบ้านนี่เฮ็ดยังได้ว้าเนี่ยขยับก่อไปล่ะโซ่เฟอร์นี่คือเฮ็ดยังไงขยับแล้วก็ยับอีกสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกมันมันตายด้รถรถมันเท่าล่ะมันหมดอายุของมันหมดอายุใส่งานบ้านในโซเฟอร์มันจะนั่งเฝ้าจโลนี่จะนั่งเฝ้าได้บ้าบานเนี่โซเฟอร์มันก็ต้องหนีแล้วบ้านเนี่ หนีออกจากรถเนะี่ยทิ่มรถใช่ไหมนี่แหละคนตายก็คือคนทิ่มร่างกายร่างกายเนี่ยพรมันใส่บางะนั่นเนอนะแต่บางคนก็บอกว่าเออแต่บางคนตายนุ่มละ่ะ เ, เพราะมันตายนุ่มกว่านี้แล้วเครื่องมันพังแล้แลนไปแลนมากก็ลืมลืมเติมน้ำนะพราลืมเติมน้กาก็แลนไปน้าแหงนะ้งไง เครื่องมันลูกสูบมันติด ร, ระเบิดเรื่ยวันออกไปเพอาะระเบิดได้จากไหนบ้านะฮ hey. ถึงจะลดไม้ปันได้ก็เถอะจกของสี่ฝาอยู่หันใดบ่ป่านนี้มันเสียลรอมันก็ต้องหนีออกคือเก่านะ่ะอันนี้คือกันที่จะเป็นเด็กหน่อยเด็กนุ่มสาวขนาดได้ก็ตามแต่หัวใจของเฮาหยุดเต้นเท่านั้นนะ่ะเลือดไปอุดหัวใจซะอุดสมองซะเส้นเลือดแตกซะ hey. หัวใจเนหัวใจไหว้ซะตไตไหว้ซะสิมันจะอยู่ได้บ่อยู่พอไดนะ้ไหมโซโฟเฟอร์ก็ต้องออกอันนี้คือกันใจของเขาต้องออกจากร่างเลยนะออกจากร่างแนี่ไปใส่บ้านเลยอ่าออกจากร่างจะไปใส่ขั้นโซฟเฟอร์มีเงินบ้านะีลเฮ้ยมีทุนมีเงินพอหนในขณะที่ขึ้นคี่รถขั้นนี่ยเนะี่อ ขับรถคันนี้อยู่นะ่ยไปหันไปมิทธะทำมากค้าขายออกไปมีแต่หาเงินพอรถคันนี้เสียเนะี่ยโซโฟเฟอร์กับมีเงินเต็มกระเป๋าเลยเนะีจะไปหาซื้อรถคันอื่นก็ได้บ้านคันน้ามัโซโฟเฟอร์นะี่ขี่รถคันนี้เนะ่ยมีทธะเที่ยวตลอนตลอนตลอดกินเหล่าเม้ายัดบ่ได้บ่บเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากมีแต่ทำมิทธความสัว อันในความสัวเห็ดมืดขูนแนวเนี่ยมันส น, สนุกสนานเปิดเพิ่นบานถ้าตายไปแล้วบานเนี่ยรถคันนี้มันติดแหละบ้านลูกสูบมันติดล่ะใส่บ่อไรล่ะเครื่องมันพังล่ะ เ, เ่ยเฮ็ดอย่งไรบานโซเฟิร์มสิเฝ้าอยู่หันใด บ, ออบ่ออกจากล่างมาเนี่ออกจากล่างบ่มีเงินเลยบ้านเนี่ยพบริหาเงินไว้ออกจาก ลางนกันนี่ยแหล ะ, นะ่ยกซ้ อ, อผลกอซ้อพี่บมมี่มองเขาไปหาเขาไปเกิดเกิดน้ำหมาหันี่เออมันไปเลือกเกิดบไรเนีพยาะมันบอมีบมมีบุญคือกันข้าคนบอมมีเงินเนีไปหาเลือกสื่อรถใดจังไหนคนบอมีเงินแต่คนมีเงินบวาแล้วเออมีบัตรเครดิตอีกต่างหากมีมดเสียลเท่าไหร่เออสังบุญสัางกุศลเสียรถขั้นไหนเออ พอรถเก็งขั้นนี้เสียนพุ่นเจ้ารถเนบน bm รถสล้อยเลือกสื่อใดมัดเพราะเหุ้ใดเพราะใจตรงนั้นมีบุญนะนั่นแหละขอให้พวกเข้าทั้งหลายนะ้สรุปแล้วคือตายแล้วบ่ศูนย์ตามรักธรรมค่ำสอนของพระพุทธเจ้าพ่นว่าร่างกายนี่ตายอิหลีแต่โซ่เฟอืองคือน้ำมารรมทีออกจากร่างนั่นนะไปปฏิสนธิในภพภูมติต่าง เพานั้นเพิ่นอยากให้สร้างบุญสร้างกุศลเขาสู้จิตสู้ใจของพวกเข้าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงปูลงตาเพิ่นภาวนาเพิ่นเห็นแล้วกันสั่นเพิ่นสิอยู่ในป่าในหลวงพงไพ่อดเข่าจังไหนเพิ่นก็อยากมีความสุขคือกันกับพวกเขานะอันไหนแจ็ดสันเข่ามือเดียวนอนผู้เดียวอนอนในวัดเอรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเย็ดคออีต่างหากนี่แหละเพิ่นดูแบบ นะลูกเท่าลูกท่านอยู่แบบเบาลื่นตัวอยู่แบบตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพราะนั้นขอให้พวกเล่าท่านทั้งหลายนะ่ะฟังฟังไวนะ้น่ะลูกหลานนะเอาต่อไปนี่รับพ่อห น, น้าบัด น, นี้นะสิอเอาผ้าเออเอามาเอาม า, เอามาพี่กอะไรหน้าบัตเนี้ยลูกหลานมายกป่ะเอาน้ำใจนะเอาน้ําใจอุทิศนะน้าใจอุทิศส่วนกุศล ผู้ขาได้มาทําบุญใน้เข้านี่ผู้ใดอยู่ในวิสัยที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกผู้ขาดเนอร์ขึ้นในใจท่นผู้ขายินเดียน์ให้พวกท่านทั้งหลายมารับส่วนบุญขันธ์ว่าพวกบวชในโป่งหูวิญญาณใดบป่หูก็ขอให้เทปเจ้าเล่าเทวว่าผมมีหูทิบตาทิบบอกก่าให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้อง ลูกหลานทุกข์ทุกคนอุทิศส่วนกุศลให้แต่วา่ามีความทุกข์ก็ให้ผนจากทุกข์กันมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งยิงขึ้นไปทุกๆคนด้วยเถิดนะผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ข อ, ขอให้จเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขพระภละลาบยศชนะเสริญสุขสุขกายสุขใจใยาถาวาริวหาปุราปาริพุริ